คนเราบางครั้งเวลาเจอความทุกข์มันเรียกว่าอะไรสับสนคนเป็นอินทุนนั่งจนก็ทั้งไม่รู้ว่าทุกเรื่องอะไรถึงแม้ว่ามันจะสืบเนื่องกับเหตุการณ์บางอย่างก็ตามย่ามี หมอคนหนึ่งแกเมีย ก, ก็แยกทางอยู่กันมานานนะสิบกว่าปีพอแยกทางแก ก, ก, ก, ก็เรียกว่ามีความทุกข์มากเรียกว่าทำอะไรไม่ได้เลย หมดเรื่องหมดแรงนั่งซึมมือนก็หมดอะไรไปยากับชีวิตแต่รับพัดก็บางเกินเพื่อนก็โทรศัพท์มามาคุยด้วยและเพื่อคงจะสังเกตอาการของหมอคนนี้ได้ก็มีความทุกข์ ก็สับสนเกาเลยถามประโยชน์นึว่าตอนนี้อะไรที่ทำให้คุณเนี่ยทุกข์มากที่สุดพอดึงคำถามนี่แก็เห็นหน้าลูกขึ้นมาเลยนึกถึงหน้าลูกขึ้นมาเลย แต่ก็เลยรั้วอ๋อที่ฉันทุกเนี่ยเพราะว่าฉันห่วงลูกว่าลูกจะอยู่ยังไงพอแม่ไม่อยู่แล้วนี่ลูกจะอยู่ยังไงมันเป็นความรู้สึกห่วงใหญ่ความรู้สึกกังวลเขาก็เลยรั้วเออจะจะแก้ปัญหานี้ยังไง คือตอนที่มันตอนที่เมียทิ้งไปเนี่ยหรือเมียหยาเนี่ยเขาก็ความซึมก็หลายอย่างมีความรู้สึกเหงาว่าเวความรู้สึกผิดหวังความรู้สึกเสียใจความรู้สึกขุนเคืองแล้วความรู้สึกห่วงกังวลลูกนะแต่มันก็สะพนเป็นเพียานไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ทุกจริงๆเรื่องอะไรจกนกระทั่งพอเพื่อนถามก็ทำให้กลับมาคล้ายครวนกลับมาดูวยจริงๆเนี่ยเราทุกเพราะเรื่องอะไรกันแน่ก็เลยรู้ อ, อ๋อทุกเพราะเรื่องลูกนี่เองห่วงลูก นี่สำคัญมากนะเพราะว่าคนเรานี่ถ้าไม่รู้ว่ามันทุกเรื่องอะไรเนี่ยมองก็ทำให้ทำอะไรไม่ถูกนะก็แต่กุ้มนะความสืงคนเราปบ่อยครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นทุกเรื่องอะไร หรือแม้แต่ในพรปกติเนี่ยบางทีก็บอกไม่ได้ว่าตอนนี้กําลังรู้สึกยังไงโดยเพราะคนสมัยนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ได้มากลับมาดูใยของตัวเท่าไหร่จะเรียกว่ามันหืนห่างมั่งเมืองกับตัวเองก็ได้ก็เลยไม่ว่าตัวเองตอนนี้รู้สึกยังไง มันที่เราอาจจะเคยเจอแล้วมันบางวันนี่มันก็สึกรู้สึกหนักอกหนักใจรู้สึกตื้อๆรู้สึกมันมันทุกข์แต่ไม่รู้ว่าทุกเรื่องอะไรค่อยๆต้องค่อยๆลำดับไปค่อยๆลำดับว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นพอลำดับก อ, อ๋อทุกเรื่องนี้เองพอรู้ตรงนี้ปุ๊บนี่มันมันวางได้ง่ายมันจัดการได้ง่าย ไอ้ที่เป็นปัญหาคือว่ามันมันไม่รู้ทุกพ้ออะไรไม่รู้โดยซำรวจไอ้ที่เกิดขึ้นในใจนั่นมันเป็นอารมณ์แบบไหนกลุ้มกังวลห่วงขุนเคืองบวงทีการที่ มีใครสักคนนี่มาถามว่าเนี่ยไอท้ที่ที่ทุกตอนนี้เนี่ยอะไรทำให้ทุกมากที่สุดมันเคยมีหมอคนหนึ่งเป็นหมอฝึกครับหมอพิ่งเลื อ, มอกมาพิ่งจบใหม่ดีกว่านะแล้วก็ไปเป็นอาส า, าสมัครอยู่ที่ เขาเรียกว่าประเทศทั้งที่นี้เป็นประเทศแล้วสมัยนะั้นมันยังไม่เป็นประเทศนะคโซเวียตคโซเวมันอยู่ทางด้านอดีตประเทศอยู่กดสลาเวียซึ่งมันเกิดสงครามกลางเมืองแบ่งเป็นรัฐแบ่งเป็นภาคกันเลยเพราะว่าคนละเชื้อชาติคนละาศาสนาก็เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นมา ผู้คนก็ปฏตินาเคยที่อยู่ศูนย์เสียคนรัก mm hmm. ก, ก็เลยระดมอาสาสมัครไปช่วยดูแลคนนี้ก็เป็นจิตแพทย์ก็มีผู้หญิงวัยกลางคนมาหน้าตาก็บ่นหมองอางก็มีอาการนอนไม่หลับหัวใจเต้นแรงความดันสูงหน้ามืด นอนไม่หลักพอเลาอาการอย่างนี้ให้หมอก็สั่งยาเลยให้ยาแต่บังเออมีที่ปรึกษาเป็นหมอเหมือนกันประสบการณ์เยอะแกก็กระซิบกับหมอหนุ่มว่าถามเข้าก่อนว่าเกิดอะไรขึ้น คือหมอบางคนนี่ก็พอรู้วคนไข้มีอาการอะไรก็ให้ยาเลยแต่ไม่ได้ถามสาเหตุเกิดอะไรขึ้น ห, หมอหนุ่มก็เลยถามอีกคนนั้นคนไข่นะว่าเกิดอะไรกับคุณมเมาบอกว่าผัวถูกรักษาตัวไปโดยกองกำลังติดอาวุธของพวกเซอร์เบีย ก็หายไปหลายเดือนแล้วนะฟังอย่างนี้ก็พอจะเดาได้วันเนี้ยผัวจะต้องอาจจะตายไปแล้วก็ได้หมอหลุมก็คงเดานะวันเนี้ยที่ที่แกมีอาการอย่างนี้ อาการทางกายหัวใจเต้นเร็วความดันขึ้นนอนไม่หลับวิงเวียนหน้ามึนอื่งเพราะความเสียใจกลุ้มใจสูญเสียคนรักก็คิดว่าจบแค่นี้แหละรู้แล้วที่ให้ยาไปก็โอเคแล้วแหละแต่ว่าที่ปรึกษาาก็ยังไม่พอใจนะ ก็ให้หมอกระซิบหมอหนุ่มบอไว้ถามต่อด้วยว่าตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรหมอหนุ่มที่แล้วก็ไม่อยากจะถามเพราะก็รู้แล้วนะคนผัวตายมันก็ต้องเศร้าแต่ว่าพอหมอหมอแก่ขยันขยอแก็วก็หมอหนุ่มก็เลยถามคนไข้ว่าตอนนี้คุณรู้สึกยังไง แล้วก็ร้องไหแแนะนะ้แล้วก็กลัวกลัวกลัวทีแ้กมีแต่เศร้านะหรบลกลุ่มนะกลัวกลัวแล้วก็รองหมร้องไห้ความสุขอตอนนั้นก็คงจะสับสนไปหมดเนละ หมอแกก็ให้หมอหนุ่มกระซิบให้หมอหนุ่มถามตออีกว่าอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกทุกข์มากที่สุดตอนนี้หมอหนุ่มก็เลยถามคนไข้ก็เลยบอกว่าเนี่ยพ่อไม่รู้ว่าจะพูดกับลูกยังไงลูกก็ยังเล็กจะบอกลูกยังไงว่าพ่อนี่ตายแล้ว ครานี้มันก็เลยชัดเลยนะว่าอ๋อที่ผิวขนนี้แกทุกเนี่ยนะแกะทุกแกมีความกังวลมีความวิตกมันไม่ใช่ความเสียใจไอ้ัวตายนี่ก็ทาใจได้แต่ที่ยังทาอะไรไม่ถูกก็เพราะว่าไม่รู้จะพูดกับลูกอย่างไรมันเป็นความกลุ้ม อ, อกกลุ้มใจแล้วมันก็ทําให้เกิดความหวาดกลัวหวาดกลัวกั บ, กบสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ควาวากลัวมันเท่ากัความสับสนนะแล้วสับสนก็เพราะว่าไม่รู้จะพูดกับลูกยางไรทีนนี้พอพอรู้คําตอบแบบนี้เนี่ยมันก็เห็นเลยนะว่าการให้ยาเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะให้ยาไปแต่อะไรที่ปัญหานี่ยังยังแก้ไม่ได้เนี่ยมันก็เกิดอาการอย่างงี้ แต่พอรู้ว่าอ๋อกุ้มใจเรื่องลกูกไม่รู้จะพูดกับลูกยังไงปัญหาก็แง่กลยแก้ง่ายขึ้นก็ต้องแนะนำว่าจะคุยกับลูกอย่างไหรือว่ารวมมาถึงว่าเนี่ยเออเราจะดูแลลูกยังไงกันต่อไปพอเห็นทางออกนี้แล้วเนี่ยอาการหน้าหมืดวิงเวียนหรือว่า นอนไม่หลับเนี่ยมันก็จะคลี่คลายไปตัวผู้หญิงเองเนี่แกก็พอตอนหลังพอพอมารู้ออจริงจริงในฉันทุกเรื่องนี้ก็เห็นทางออกได้ง่ายขึ้นแล้วคนเราเนี่ยพอเวลาเจอคนรักล้มหายตายจากหรือว่าพัดพากจากกันเนี่ย เมียทิ้งหรือว่าผัวตายนี่มันมันเป็นเหตุการณ์ใหญ่ในชีวิตนะแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมามันก็เกิดความรู้สึกต่างๆนา น, น า, นาผสมผ ส, ผสมปมเปล น, นต้นมวยหมดเหมือนเวลา อ, อย่างวัยรุ่นเนี่ยสอบเข้ามหาวิยาลัยไม่ได้หรือคนตกงานเนี่ยม่นมีความรู้สึกวุ่นวายสารพัดหลายเรื่อง ทุกเพราะันงทีก็มีทั้งความรู้สึกกังวลว่าจะหางานอะไรทำดีความรู้สึกกวงใจว่าเนี่ยเรจะเอาเงินที่ไหนผ่อนบ้านผ่อนรถหรือว่าความรู้สึกว่าเราจะบอกทางบ้านอย่างไรความรู้สึกเสียนหน้ามันมีความรู้สึกหลายอย่างที่ ผสมบนเปกันแล้วไมถ่ถ้าไม่รู้อะไรเป็นตัวการที่สำคัญนี้มันทำอะไรไม่ถูกนะนี่เป็นปัญหาคนจำนวนไม่น้อยเลยนะคือพอมีเหตุการณ์ที่มันผิดหวังผิดคาขึ้นมาในชีวิตแล้วเนี่ยมันมีอารมณ์ต่างๆเข้ามากุมลุม แล้วถ้าไม่ไม่หันมาสาสางไว้จริงๆกูทุบอะไรที่ทให้กูทุบมากที่สุดเนี่ยมันก็ทำแล้วไม่ถูกนะแต่ถ้ารู้เนี่ยมันก็ค่อยก็ยยเห็นทางออกนะหรือค่อยๆหาทางออกได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็ มันก็สอบคล้องที่พระเจ้าตรัสเนะนะเรื่องอริยสัตสี่เนี่ยนะทุกเป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้น ะ, นะกำหนดรู้นี่มันมีความหมายหลายระดับนะกาหนดรู้ความหมายพื้นฐานคือว่ามันทุกเรื่องอะไรหรือว่ามีความรู้สึกแบบไหนเกิดขึ้นใน จ, จิตใจ บางคนโกรธยังไม่รู้ว่าโกรธเลยมางคนวิตกโกรัยังไม่รู้เลยหนักอกหนักใจก็ไม่รู้มันรู้สึกตัวว่ามันมันทุกข์อ่ะแต่ไม่รู้ว่าเป็นอารมณ์แบบไหนหรือว่าบางทีมันก็มัวแต่ไปตอบโต้ไปมีปฏิกิริยาตอบโต้เช่นคนที่โกรธตอนนั้นมันก็ ไม่ได้รู้ชัดนว่าโกรธเนะี่ยเพราะต น, นคิดแต่จะด่าคิดแต่จะเถียงคิดแต่จะทำร้ายหรือว่าแก้แค้นอตอนนั้นมันอยู่เพราะที่ลืมตัวพอลืมตัวแล้วนี่มันก็จะไม่รู้นะว่าตกลงนี่มันทุกเรื่องอะไรหรือว่าอารมณ์แบบไหนทำให้ทุกอารมณ์แบบไหนที่มันกำลังรบ ก, กวนจิตใจ ไม่รู้ตัวว่าโกรธไม่รู้ตัวว่ากลัวคนก็มีแบบนี้เยอะนะคือกลัวแต่ไม่รู้ว่ากลัวแต่มันรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกที่ที่ไม่ดีที่ไม่ที่ไม่น่าพอใจอยู่ข้างในบางคนกลัวก็ไม่กล้ายอนรู้ว่าตัวเองกลัวเพราะว่ามันรู้สึกว่า ฉันเป็นผู้ชายฉันเป็นผู้นำฉันเป็นครูบาอาจารย์จะยอมล้วได้ไงว่าฉันกลัวมันก็กบเกลืดปฏิเสธไม่ยอมรับอันนี้เรียกว่าถ้าถ้าไม่ไม่รู้ชัดไม่เห็นชัดว่า กำลังรู้สึกแบบไหนนี่การแก้ปัญหาก็ไม่ต้องพูดถึงยิ่งถ้ามันมีอารมณ์หลายอย่างเข้ามากุ้มลุมในจิตใจนี่ยิ่งมั่วขึไปอีกเราก็เลยทำให้คนรอในหมดอะไรตายอยาก ท, ท, ท้อแท้หมดเรี่ยวหมดแรงเพราะไม่รู้จะเริ่มไม่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดี เวลาเหตุการณ์ห น, หนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลกระทบหลายอย่างอย่เช่นถ้าตกงานสอบเข้าไม่ได้มันก็หมายความหนึ่งจะหาเงินจะหาเงินจากไหนนะมาผ่อนบ้านมาเป็นค่ารักษาพยาบาลพ่อ หรือว่าจะบอกกับคนในครอบครัวอย่างไรมันมีความสึกเสียหน้าสันเป็นคนที่ล้มเหลวแล้วก็มีความคิตกคก น, นว่าจะหางานที่ไหนดีจะเริ่มต้นที่ไหนก่อนคือผลกระทบนี่มันเกิดขึ้นมาหลายทางเหการนึงมันก็เหมือนกับ เดินก้อนที่ลงไปในในในสระน้ำเนี่ยมันก็มีเคลื่อนกระจายวัตุทุติยภัณพอผลกระทบมันเกิดขึ้นมาหลายแง่หลายด้านก็แต่และคนมันก็รู้สึกกับผลแต่ละอย่างไม่เหมือนกันบางอย่างก็ถือเป็นเรื่องใหญ่บางอย่างก็ถือปเอออป็นเรื่องเล็กแต่พอมันเกิดขึ้น คนมันเกิดขึ้นหลายทิศหลายทางก็เลยเกิดหลายอารมณ์ขึ้นมากลัววิตกหนักใจเสียหน้าโมโหผิดหวังมันเกิดขึ้นมพร้อมกันเลยแล่ถ้าไม่สามารถจะบอกได้ว่าอันไหนเป็นเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกข์มากที่สุด น, นี่มันก็ ก็จะทำอะไรไม่ถูกนั่นการกลับมาถามตัวเองการกลับมาดูใจตัวเองกลับมากลับมากลับมาสักสางวันงนี้ตกลงเนี่ยฉันกาลังรู้สึกอะไรอยู่ตอนนี้หรือว่าอะไรที่ทำให้ฉันทุกข์มากที่สุดตอนนี้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสาคัญมากมันอคือเรื่องของสตินั่นแหละ สติคนเราถ้ามีสติมันก็จะรู้ว่าตอนนี้กายทําอะไรหรือว่าใจกําลังมีอาการ อ, อย่างไรอยู่มันเกิดขึ้นได้เมื่อเรากลับมาดูใจบ่อยๆกลับมาดูใจของเราก็คือการมีสติรู้กายรู้ใจแล้วคนเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้กลับมาดูใจตัวเองเท่าไหร่ สนใจจะดูหน้าดูตาตัวเองนะในกระจกอย่างมากแค่นั้นเนะี่ยมาย้อนดูหน้าตาตัวเองว่าเออหน้าตาเป็นอย่างไรก็ดูกายแบบบยาบๆนะอาศัยกระจกแต่ว่าไม่สามารถจะดูรึกรเขาเองนะเออตอนนี้รู้สึกอย่างไรติตมันสงออกนอกตลาดเวลาอะไรเกิดขึ้นในใจก็ไม่รู้ ทำยี่บ่อยๆทำนี้บ่อยๆวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าเนี่มันก็กลายเป็นเหินห่างหมาเมือนกับใจตัวเองบอกไม่ได้ว่ากําลังรู้สึกอะไรอยู่ อ, อาจจะบอกได้ว่กากําลังคิดอะไรแต่ว่าบอกไม่ได้ว่ากําลังรู้สึกอย่างไรหรือรู้สึกอะไรอยู่ยิ่งว่า อะไรทำให้ทุกข์มาที่สุดตอนนี้นี่ก็ยิ่งนึกไม่ออกนะในชื่อประจำมันคนเราก็จะมีอารมณ์แบบนี้ภาวะแบบนี้เกิดขึ้นอยู่ บ, บ่อย okay. มันทุกข์แต่ไม่รู้ทุกข์เรื่องอะไรคึก ม, มันมันมีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นมาเช่นถูกต่อว่า หรือว่ามีงานใหม่เข้ามาถ้าถูกเราว่าก็ทำให้โมโหขุ่นเคืองหรือมีงานใหม่เพิ่งมาก็ทำให้หนักใจแต่แล้วพอไปทำอย่างอื่นใต่ความมุศนั้นก็ยังคาอยู่ในใจมันคาอยู่ในใจทำอะไรก็ไม่รู้สึกปลอดโปรง่ง แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอันนี้เป็นเพราะว่าเสืเ่อมไปเพราะมันไม่รู้ว่าความรู้สึกตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกอะไรขุ่นเครื่องโมโหหนักใจกังวลการไม่รู้ว่ารู้สึกอะไรเนี่ยมันก็ทําให้ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้นะ คือทุกถ้าไม่รู้ชัดไม่สามารถกําหนดรู้แล้วเนี่ยมันก็ไม่รู้ส ม, มุทรไทยนะแต่ถ้ามันรู้ออกความสุ้สึ้คือความสุกกังวลเราก็สามารถจะสาไป อ, อ๋อสาไปว่าเป็นกังวลเรื่องอะไรเดี๋ยวก็ไปเจอเ อ, อ๋อกังวลเพราะว่ามันมีงานใหม่เข้ามาไองานเดิมก็ยังมีอยู่เจองานใหม่เข้ามาเลยหนักอกหนักใจหรืออาจจะพบว่ามันมีความรู้สึกโกรธไม่พอใจ สาวไปดูได้ไม่พอใจเรื่อ๋อเมื่อกี้มีคนมาต่อว่าเราหรือมีคนมาตําหนิเราพอรู้แบบนี้เขามันก็บางทีมันก็ปล่อยวางได้ง่ายนะเออเขาตำหนิแล้วก็ช่างเอออย่าไปสนใจหรือว่าถ้าเป็นเพราะเออเป็นเพราะมีงานใหม่เข้ามาเออเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอางานเก่าก่อนเคลียสเล่ค่อยงานใหม่ พอจัดการนี้ได้มันก็สึกโป่งโลง่งหรือบางทีเพียงแค่รู้ว่าเป็นพ่ออะไรนะั้นมันก็วางได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถจะกลับมาไม่มาดูใจตัวเองว่ามันเป็นพ่ออะไรเนี่ยมันก็ยังมีความรู้สึกอึมครึมมาคุกโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นพ่ออะไรนะอันนี้หลายคนคงเคยเจอบ่อยๆรู้สึกมาคุกรู้สึก กลุมเรียกว่ามึนๆหนักๆน่วงๆร้อนๆแต่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรก็พลอยทำให้เกิดความหงุดหงิดนะตามไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆอันนี้เป็นพ่อไม่ค่อยได้กลับมาดูใจตัวเองถ้าดูใจตัวเองบ่อยๆมันจะรู้ว่าปุ๊บอ๋อเรารู้สึกเรารสึก กังวลนะเราสึกโกรธนะเราสึกคุณเครื่องนะเราสึกเศร้านะผิดหวังนะคือจำแนกแยกแยะอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจได้คนเดียวนี้นี่จะมีมากที่แยกแยะอารมณ์ไม่ได้ในการเจริญสติในการภาวนานหลายสำนักก็เลยแนะนำให้ตั้งชื่ออารมณ์นะโกรธเนาะ เวลากลัวก็กลัวนอเวลาเศร้าก็บอกเศร้านอเวลากลัวก็กลัวนออันนี้เป็นวิธีนะที่ทําให้รู้จักจําแนกแยกแยะอารมณ์พอแยกแยะอารมณ์ได้เนี่ยมันก็จะเห็นสาเหตุแล้วก็ทําให้แก้ง่ายขึ้น ถ้ า, าว่าเราไม่รู้จักสภาวะอารมณ์นี่นะมันก็เลยแก่ย่างไงให้การที่มันดูจิตดูใจเนี่ยมันทำให้เราจำสภาวะอารมณ์ต่างๆได้นะอ๋ออย่างนี้อย่างนี้คือกลัวอย่างนี้คือรุ่มอย่างนี้คือกังวลอย่างนี้คือกโกรธเนะี่งนี้คือวิตกเนะีย แต่าอารมณ์มก็ส่งผลต่อจิตใจเหมือนกันนะเช่นถ้าโกรธถ้าโกรธนี่มันจะรู้สึกร้อนกังวลมันรู้สึกหนักบางทีมันกดที่กา ย, ยนะอารมณ์ทนี่มันแสดงออกที่กายด้วยมันไม่ใช่แค่คิดเอานะเดี๋ยวนี้เขาเขามีเครื่องสแกนร่างกายนะเวลาคนมีอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้เห็น เป็นความแตกต่างของร่างกายที่ออกมาเป็นสีนะก็สแกนะโดยใช้สีถ้ากลัวเนี่ยมันก็ออกมาเป็นสีหนึ่งกลัวมันก็ออกมาเป็นสีหนึ่งในร่างกายนะใจกินมันมให้มีสีมันหลายสีเวลากลัว เ, เวลากลัวนี่มันก็มีผลต่อร่างกายบางบางต่ออวัยวะบางส่วนไม่เหมือนกัน เนี่ยถ้าเรามันดูกายเนี่ยมันก็ทําให้รู้อารมณ์ได้เหมือนกันนะเช่นเวลาเครียดเนี่ยมันหายใจทีหัวใจเต้นเร็วนะพอเรากลับมาตามลมหายใจหายใจก็รเรื่อยหายใจ ย, ยาวๆมันก็ช่วยทาให้ความเครียดทุเราเลงนการมาดูกายก็ทําให้ทําให้รู้รู้อารมณ์รู้ใจได้ หรือไปรู้ใจตรงๆเลยก็ได้นะถ้าเราหมั่นหมั่นมองต้นหยู่เสมอก็จะแยกแยะได้ว่าเออตอนนี้อารมณ์อะไรตอนนี้สบายตอนนี้เฉยๆตอนนี้มันเพลินเิตอนนี้ปิดติตอนนี้อิ่มเ อ, อ่มไอความรู้สึกลบความรู้สึกบวกก็มีหลายหลายแบบ พุทธสามแล้วก็แยกมาเป็นปลาหมวดปิตินะดินดีสุขสมาธิปัจสัธิโอ้ยเยอะแยะถ้าเรากลับมาดูใจในยามบวกเราก็รู้เอาตอนนี้กำลังรู้อะไรเวลาลบก็รู้ว่ความรู้เป็นอย่างไรไอ้บวกไม่เท่าไรไต่ลบนี่เองนะถ้าถ้าไม่รู้มันคืออะไรก็ไม่รู้สายเหตุคืออะไรถ้าไมรู้สาคืออะไรก็แก้ไม่ได้ก็ทุกไปเรื่อย เอาละฉันเองก็มีกลับ